คำรยายสรุปเหล่านี้ก็เป็นสำนวนแบบเช่นเดียวกันและมีหลายสำนวนอยู่ในต่างแห่งต่างที่ขอยกมาให้พิจารณาดังนี้ในธรรมจกกักรกระปวัตนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดญาณทัศนตามเป็นจริงของเราซึ่งมีปริวัติสมีอาการส2องอย่างนี้ในอริยสัจสประการเหล่านี้หมดจดแจ่มชัดดีแล้ว เมื่อนั้นแหละเราจึงปฏิญาในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็แลยาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าเจโตวิมุตของเราเป็นอากุ ป, ปานี้เป็นอันติมชาติบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีในอัรสาทตสที่หนึ่งสั่งยุตตนิกายขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัาธะของอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นอัาธะรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอาทีนบโดยความเป็นอาทีนบและรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งนิสสรระโดยความเป็นนิสสรณะเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบใหม่อีกไม่มี อัสาะคือคุณหรือส่วนดีอาธีนบคือโทษหรือส่วนเสียนิสรณะคือภาวะรอดพ้นทางออกหรือความเป็นอิสระในสัมโพธสูตรที่หนึ่งสั่งยุตนิกายสลายตนวัตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัสาะของอายตนะภายในทั้งหเหล่านี้ โดยความเป็นอัศธารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอาทีนบโดยความเป็นอาทีนบรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีในปุณณภวสูตรสั่งยุตานิกายมหาวาระ พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งสมุทยัยความ อ, ดอัดงอัฏสาธะอาธถีนบและนิสสรณะของอินทรีทั้งห้าเหล่านี้คือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บัตรนี้พบใหม่อีกไม่มีในอารหันตสสติสองสั่งยุตินิกายมหาวาระวัตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเรารู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสมุทัยความอัศดงอัศธะอาธีนบและนิสรณะของอินทรีทั้งหกเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณบัดนี้พบใหม่อีกไม่มีในทีประสูตรสังยุตานิกายมหาวาร ะ, ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากภิกษุทั้งหลาย ดังที่เป็นมาแม้เราเองก่อนสำโพธิยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์ก็ดำรงอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่เหนื่อยจักสุก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันในยานสูตรสั่งยุตานิกายสลายตนวัคพระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายจักสุกเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าเวทนาคือดังนี้สมุทัยแห่งเวทนาเป็นดังนี้ปฏิปทาที่นำไปสู่สมุทัยแห่งเวทนาเป็นดังนี้นิโรธแห่งเวทนาเป็นดังนี้ปฏิปทาที่นำไปสู่นิโรธแห่งเวทนา เป็นดังนี้อจซาธะแห่งเวทนาเป็นดังนี้อาทีนบแห่งเวทนาเป็นดังนี้นิสรณะแห่งเวทนาเป็นดังนี้ในอนนุตสุตสูตรสังยุตติกกยมหาวาระวัครพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ากาเยกายานุปัสสนาคือดังนี้ก็กาเยกายานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญกาเยกายานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วเวทนาสุเวทนานุปัสสนาคือดังนี้ก็เวทนาสุเวทนานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญเวทนาสุเวทนานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้ว จิตเตจิตานุป <ety> ัสสนาคือดังนี้ก็จิตเตจิตตานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญจิตเตจิตตานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วธรรมเมสุธรรมานุปัสสนาคือดังนี้ก็ธรรมเมสุธรรมานุปัสสนานั้นเป็นธรรมควรเจริญธรรมเมสุธรรมานุปัสสนานั้นเราเจริญแล้วรวมแล้วข้อนี้คือสติปัฏฐานสีนั่นเอง ในยาณสูตรสั่งยุตานิกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่มิเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าอิทิบาทข้อที่หนึ่งคือดังนี้ก็อิทธิบาทข้อที่หนึ่งนั้นเป็นธรรมควรเจริญอิทิบาทข้อที่หนึ่งนั้นเราเจริญแล้ว อิทิบาตข้อ2ข้อ3าข้อสคือดังนี้ก็อิทธิบาทข้อ2ข้อ3ข้อ4นั้นเป็นธรรมควรเจริญอิทิบาทข้อ2ข้อ3ข้อ4นั้นเราเจริญแล้วอิทิบาตข้อ1คืออิทธิบาตที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารข้อ2 <typing in language> คืออิทิบาทประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารข้อ3 <2, typing in language> คืออิทาาิบาตประกอบด้วยจิตตะสมาธิ และประธานสังขารข้อ4คืออิทธิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร